พันในยุคอายุต่ำกว่าร้อยปีที่จะไปสู่สุกติโลกสวรรค์กลับโดยที่สุดแม้แต่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่ของง่ายบางคนบอกไหมอยากไปเกิดเป็นมนุษย์อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะม้พูดแล้วนึกถึงได้คำว่าฝังจิตของตัวเองให้ไปไปฝังตัวในในคันของคนอื่นเนี่ยทำยังไงอเนี่ยนะไปฝังปฏิสนธิจิตของเราเนี่ยนะบางดวงไปไว้ที่คันของผู้ใดผู้หนึ่ง ที่มดลูกของคนใดคนหนึ่งเนี่ยถามมันทํำยังไงอ่ะที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกอันนะแล้วมาเกิดแล้วมาเกิดอยู่ในคันไหนเนี่ยนะอันนี้ก็ค่อยๆ ค, คิดเอาไอทีนะว่ามันทําไงกันดีมันปัญหาที่ที่ที่มาที่เราพวกเรากําลังเป็นอยู่เนะี่ยเป็นปัญหาเรียกว่ามาโหยิ่งใหญ่มากเลยนะยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่จริงๆพระะนันถ้าใครคิดว่าเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็ก็ตามอัธยาศัยแล้วเนี่ยนะเมื่อกี้ก็นั่งคิดไปว่า เ, าเราขอเป็นชนส่วนน้อย ถ้ามีมีอะไรนีมีฟาร์มสัตว์เป็น ฟ, รรฟาร์มๆแล้วเราเป็นคนอยู่คนเดียวก็ขอเป็นคนคนเดียวก็ยอม น, น, นะขอให้มันหลุดไปเหอะยังไงก็ให้หลุดจากอะไรว่าถ้าไม่มาเกิดเป็นมนุษย์ได้เนี่ยมันบุญหนักบุญหนาแล้วว่างั้นเะแต่ถ้ามาเป็นมนุษย์อีกก็เสี่ยงจริงๆแม้แต่มนุษย์เนี่ยถ้ามาศึกษากันโดยเหตุผลเอาเข้าจริงไม่ใช่ว่าจะเกิดกันง่ายๆจะได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกรอบหนึ่งนี่นนะนะนะนะคืออันนี้เราไม่พูดตามความเชื่อ พูดตามหลักเหตุผลจริงๆแม้แต่มนุษย์อย่างยากเอาเนี้แล้วเทวดาล่ะถ้าไปเทวดาไปอยู่ได้กี่วันเชีวเนาะเนี่ ย, ยบุญอะไรมันอยู่ได้กี่วันเนอะเหมือนกับปไปจองโรงแรมดีดีวีพชั้นหนึ่งที่เราบอกมาหาแพงที่สุดเนี่ยนะมันอยู่ได้กี่วันนะนจะมีบุญได้อยู่ได้กี่วันอ๋อสองบอกว่าพรหมโลกโอยพรหมมิหารทําท่าจะแม่มันเรียกว่าคนไม่มีบ้านอยู่บอกจะไปอยู่พรหมมิหารอยงนั้นเน่ยอะไรนะ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 บอกว่าถ้าข้อปฏิบัติเนี่ยนะเขามีตามลําดับอย่างนี้ว่าข้ามอบายเพื่อให้เกิดในสุคติภพมัดแปดเนี่ยเขไล่ามาตามลําดับอย่างนี้ว่าเจริญอาธิศินเนี่ยนะเพื่อข้ามอบายเรามีศีลคือเครื่องมือที่จะให้ข้ามอบายเนี่ยเขาคือศีลศีลเป็นอุปกรณ์เพื่อข้ามอบายสมถะทั้งหลายเพื่ออุปกรณ์ข้ามกรรมมาพบ ปัญญานี้เป็นอุปกรณ์ข้ามวตะเนี่ยนะข้ามวัตะทีนี้สีปัญญาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่อยู่อะไรนะเหมือนกับคมมีดเนี่ยนะมันถามว่ามันต้องอาศัยใบยมีดไหมที่จะคมจริงต้องอาศัยหินรับมีดไหมบอกจะใช้แต่คมอย่างเดียวเลยนะเขาบอกว่ามีเหล็กอยู่อันหนึ่งเนี่ยนะเป็นเหล็กที่เรียกว่านาเป็นรกระวนหนามากแล้วก็หนาเป็นตันๆเนี่ยนะถามว่าลับยังไงให้มันคมเอ่อพอที่จะไปตัดอะไรขาด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 ทำอะไรไม่ได้เจริญอะไรก็ไม่ได้เพราะฉันอยากคิดว่าบางคนก็บอกอุย้ยมนุษย์เขาก็ไม่เอาสวรรค์เขาก็ไม่เอาเป็นต้นนิพพานอย่างเดียวนิพพานคืออะไรบอกไม่รู้เหมือนกันเขาว่านิพพานแล้วมันดีเนี่ยนะมันจะเป็นไปได้อย่างไรเนาะเนี่ยนะมต้องพยายามค่อยๆปรับความเข้าใจก็คือว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าถ้าคิดให้ดีๆระดับหนึ่งนะก็บอกโอ้ศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยมันยากาบอกถ้าคุณคิดว่ายากเพื่อจะพูดให้ท้อ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 กำลังคิดหนักใจอยู่เหมือนกันนะทำไงดียอมให้ไก่พวกนั้นมากลับเป็นมนุษย์ได้อุทิศส่วนกุศลให้มันอนุโมทนามันก็ไม่รู้เรื่องกับเราอีกออนั่นแหละนะอ๋อยากนะนะคิดไปคิดมาเพราะว่าตอนนี้คนกลับมากินสุนัขแล้วทำยังไงให้พวกสุนัขมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เนี่ยนะแล้วทำงไงให้พวกมนุษย์ไปเกิดในสวรสด์สุขติโลกสวรรค์เนี่ยนะคือเชื่อไหมแต่ปัญหาพวกเพศเนี่ยแค่เราคิดตามง่ายๆอย่างางี้อย่างยากแต่พระพุทธเจ้าท่านทําได้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 ถ้าเราไม่ตั้งความปรารถนาเพื่อให้ตรัสรู้ตามเพื่อให้เห็นตามในสิ่งที่พระองค์รู้เห็นและตรัสรู้เราเองไม่มีวีเแววที่จะบรรลุธรรมเลยถ้าไม่ตั้งความปรารถนาตั้งเจตนาเอาไว้ให้ดีๆเนี่ยนะไม่มีวีเแววที่จะบรรลุธรรมเลยคําว่าธรรมในที่นี้เนี่ยนะแค่ว่าผู้มีธรรมอันเห็นแล้วธรรมะตัวนั้นแปลว่าอริยสัจไม่มีวีเววที่จะเห็นอริยสัจเลยบอกหลายคนบอกปรารถนาจะเห็นธรรม เห็นธรรมธรรมตัวนี้คืออริยสัจนั่นนะไม่มีวิเววที่จะเห็นธรรมพระพุทธเจ้าสอนอริยสัจเราเองถ้าไม่ทําบุญและตั้งความปรารถนาเพื่อจะเห็นอริยสัจเราก็ไม่มีวิ่แววว่าจะเห็นอริยสัจถ้าไม่มีวิเววเนี่ยเราจะกําหนดรู้ทุกที่ควรกําหนดรู้ได้ไหมละสิ่งที่ควรละได้ไหมทําให้แจ้งสิ่งที่ควรทําให้แจ้งได้ไหมเจริญในสิ่งที่ควรเจริญได้ไหมบอกยากมากคือวันนี้ที่พูดซะพูดซะยาวเล ย, เลยเนั่นน่ะ ก็เนื่องจากว่าไปเห็นแล้วก็คนที่ตั้งความปรารถนาเพื่อรู้เห็นเพื่อเจริญตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีน้อยมากโดยที่สุดว่าเขาไปไหว้พระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าดีอย่างไรเขาจึงไหว้เขาก็ไม่รู้นะนะเขาไม่รู้เลยนะนะไม่ไม่รอบไม่รู้แม้กระทั่งคุณของพระพุทธเจ้าก็เลยเกิดไอเดียขึ้นอันหนึ่งอันนี้เล่าให้ฟังนะเล่าให้ฟังแต่เป็นสิ่งที่อยากจะทําในอนาคต เมื่อได้เหตุอันสมควรก็คือว่าคนไปไหว้พระพุทธเจ้าเนี่ยรู้คุณของพระพุทธเจ้าเท่าไหรกันน้อเนี่ยนะก็เลยไม่ว่าเออถ้าหากว่าได้พิมพ์พิริว่าเลยนะบทเกี่ยวกับอิติปิโสเนี่ยไปวางไว้คือปกติเนี่ยก็คือมันนั่งลบทบทวนเออหลายคนก็ทําผ้าเนี่ยนะทำบุญด้วยผ้าปีหนึ่งในในกลุ่มที่ที่รู้จักกันเนี่ยกลุ่มปีหนึ่งเฉลี่ยแล้วหมดหละให้มื่นเนี่ยนะในการทําผ้าเนี่ยนะ ต่อครั้งนี่บางทีก็เป็นหมื่นแล้วละ่ะแล้วก็ถ้าจํานวนสักสิบครั้งเนี่ยนะนการหอมผ้าพระเจดีก็เป็นน่าจะใช้ทุนเป็นแสนใช่ไหมใช้ทุนเป็นแสนแล้วก็อันนี้เกี่ยวกับผ้าอย่างเดียวแล้วก็ดอกไม้ใช้ดอกไม้เป็นเครื่องบูชาเนี่ยนะดอกไม้จริงดอกไม้ปลอมดอกไม้พลาสติกดอกไม้พันปีอะไรก็ช่างเถอะแต่มูลค่าค่าดอกไม้เนี่ยในปริมาณจํานวนก็หมดหลายหมื่นเนี่ยนะต่อปีค่าเฉลีย่ยต่อปีจากหลายหายเรื่อง ทีนี้ถามว่ามานั่งนึกถึงว่าแล้วเขาสิ่งเหล่านี้เนี่ยผู้ใดไหว้ก็บุญของผู้นั้นไปนนะผู้ใดกราบผู้ใดไหว้ก็เป็นคุณของผู้นั้นไปนี่ถ้าหากว่าเรามาอะไรนะจัดพิมพ์พระพุทธคุณแล้วก็ภาพ ป, ปกเป็นปกเกี่ยวกับพระพุทธรูปหรืออะไรก็ได้ที่สวยๆเนี่ยนะเป็นเครื่องบูชาแทน น, นะว่าก็เลยเมือเมื่อาวานเอาหนังสือบทสรรเสริญพระรัตนตรยัยไปบูชาพระพุทธชินราช เล่มสวยๆเออใครอยากอ่านะมีพระพุทธรูปหลงพ่อเมตตาเออก็สวยดีเนี่ยเราแทนที่จะเป็นดอกไม้ทั่วๆไปนะเอาภาพพระพุทธรูปเนี่ยที่งดงามแล้วเป็นหนังสือบทสรรเสริญพระรัตนตรัยแล้วก็บูชาเนี่ยนะเรเลยคิดว่าเออแล้วใครเอาไปอ่านหนึ่งคนนี่เราอ่านก็มีเด็กมาอ่านด้วยนะมาอราหังส้ำมาพร้อมกันมันคักก็บอกเออเป็นหนังสือเนี่ยนะคิดเขาอิทีปิโสให้เราหนึ่งครั้งก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วละน่ยนะ ถือว่าคุ้มค่าแล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลนัล่นแะก็เลยมาคิดจริงๆแล้วใช้ต้นทุนไม่สูงถ้าเทียบกับทําบุญเรื่องอื่นๆนะใช้ทุนไม่สูงด้วยนะต้นทุนไม่สูงและหนังสืออย่างน้อยมันอ่านกันได้เวียนกันเป็นสิบๆรอบเนี่ยนะและถ้าเป็นหนังสือที่มีภาพพระพุทธรูปประกอบเขาไม่ทิ้งคว้างแน่นอนและเราก็ต้องเอาหนังสือเหล่านี้มก็เหมือนกับว่าอะไรนะไปวางไว้ตามพระเจดีย์ต่างๆแล้วคนก็ไปเห็นไปอ่านเพราะคนถือว่าเป็นคนที่อัธยาศัยดีอยู่แล้วไปไปถือไปอ่านเนี่ยนะ มันก็เป็นการอะไรนะสรรเสริญพระพุทธคุณธรรมคุณและสั่งข้าคุณก็เลยก็ต่อไปใครมาถามทำบุญจะให้ทําอันนี้แหละคือแต่ว่าก็คือแทนที่จะไปเน้นคือคือถ้าเน้นความสวยงามก็ทําพระพุทธรูปองค์นะแต่งในภาพในเล่มให้สวยงามเป็นต้นแล้วก็เป็นเครื่องบูชาแล้วก็คือสิ่งที่บูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยอะไรก็ตามที่เราไปบูชาพระองค์เนี่ยพระองค์ไม่ได้ฉันให้เราหรอกพระองค์ไม่ได้ใช้ให้เราหรอก แต่มันเป็นสื่อของเราที่ไปบูชาพระองค์เท่านั้นตัวที่เป็นบุญจริงๆก็อยู่ที่ใจของเรานี้ทํำยังไงเป็นปัจจัยเกื้อกูลให้ใจของคนอื่นเป็นบุญด้วยเห็นไหมเป็นบุญเป็นวาสนาให้คนอื่นเนี่ยเขาเป็นบุญด้วยเขาจะได้รู้คุณของพระพุทธเจ้าหนักๆเข้าไม่รู้แม้กระทั่งว่าพระพุทธเจ้าคือใครไม่ทราบอารหันตะคุณเป็นต้นพระองค์เป็นพระอารหันไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนั้นทุกคนใช้เวลาขมุบขมิบอยู่กับ จริงๆแล้วบางทีเนี่ยนะลงทุนลงแรงไปไกลไปเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าไปไหว้อรหังสัมมาสัมพุโทโธพระขวาถ้าเก่งกว่านั้นอีกอิติปิโสขึ้นไปอีกนิดนึงที่เหลือขอหมดเลยใช้เวลาที่เหลือขอหมดเสร็จแล้วก็เดินทางลงทุนลงรอนลงแรงเนี่ยมากมายมหาศาลเพื่ อ, อบูชาแค่เนี้ย แล้วก็ทําก็โมแต่ตื่นเต้นตกใจไหนเพื่อนข้างซ้ายเพื่อนข้างขวาข้างหน้าข้างหลังเหม็นกลิ่นทุบ ก, กลิ่นเทียนอยเอาไปเอามานะตัวกุศลจิตอาจจะถึง3นาทีหรือเปล่าก็ไม่รู้มันถามว่าหน้าสงสารขนาดไหน